เจลาวัตหมดว่าด้วยอายตนะหกประการการไม่ฝึกไม่คุ้มครองอายตนะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภัสายตนะหกประการนี้ที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สํารวมแล้วย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้ ภาษายตนาหกประการได้แก่ัาษายตนาะคือจักขุที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สารวมแล้วย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้และโดยในยะเดียวกันภาษายตนาะคือโสตคือคานะคือชิวหากายละมโนที่บุคคลไม่ฝึก ไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้ส่วนผัสายตนะหกประการที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ได้แก่ผัสายตนะคือจักขุโซตะขานะชิวหาายและมโน ที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่สำรวมผัสายัตนะหกประการนั่นแหละในอายตนะหกประการใดย่อมประสบทุกข์ส่วนบุคคลเหล่าใด ได้การสํารวมอายตนะหกประการนั้นบุคคลเหล่านั้นมีศรัทธาเป็นเพื่อนเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยราคะอยู่บุคคลเห็นรูปที่น่าชอบใจหรือรูปที่ไม่น่าชอบใจแล้วพึงบรรเทาทางของราคะในรูปที่น่าชอบใจและไม่พึงเสียใจว่ารูปของเราไม่น่ารัก ได้ยินเสียงที่น่ารักและไม่น่ารักแล้วไม่พึงกระหายในเสียงที่น่ารักและพึงบันทเทาความไม่พอใจในเสียงที่ไม่น่ารักและไม่พึงเสียใจว่าเสียงของเราไม่น่ารักได้ดมกลิ่นหอมที่น่าชอบใจและได้ดมกลิ่นเหม็นที่ไม่น่าชอบใจแล้วพึงบันเทาความหงุดหงิดในกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจ และไม่พึงพอใจในกลิ่นที่น่าชอบใจได้ลิ้มรสที่ไม่อร่อยและอร่อยและลิ้มรสที่ไม่อร่อยในบางคราวแล้วไม่พึงติดใจลิ้มรสที่อร่อยและไม่ควรยินร้ายในรสที่ไม่อร่อยถูกผัสสะที่เป็นสุขกระทบแล้วไม่พึงมัวเมาแม้ถูกผัสสะที่เป็นทุกข์กระทบแล้วก็ไม่พึงวันไหว ควรวางเฉยพัสสะทั้งสองทั้งที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ไม่กวนยินดีไม่กวนยินร้ายกับพัสสะอะไรอะไรนรชนทั้งหลายผู้ตำซามมีประปันจสัญญาคือความหมายรู้ในกิเลสเครื่องเนื่นชา้าปรุงแต่งอยู่เป็นสัตว์ที่มีสัญญาวนเวียนอยู่ก็บุคคล บันเทาใจที่อาศัยเรือนห้าทั้งปวงแล้วคือกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโภธภะย่อมเปลี่ยนจิตให้ประกอบด้วยเนยคขมมาในการใดที่บุคคลอบรมใจดีแล้วในอารมณ์หกประการอย่างนี้ในการนั้นจิตของเขาถูกสุขสัมผัสหรือทุกขสัมผัสกระทบแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในที่ไหนๆภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายครอบงำราคะและโทสะได้แล้วย่อมเป็นผู้ถึงจุดจบแห่งความเกิดและความตายคือนิพพานมาลุกยะบุตระสุทว่าด้วยพระมาลุกยะบุตรครั้งหนึ่งท่านพระมาลุกยาบุตร กราบทูลขอให้โปรดแสดงธรรมโดยย่อซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่ปฏิบัติแต่เพียงผู้เดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในการขอโอวาทของเธอนี้ในบัดนี้เราจะบอกพวกภิกษุหนุ่มอย่างไรว่าเธอเป็นภิกษุผู้ชราสูงอายุเป็นผู้เท่าลวงการมามากผ่านวัยมามากขอโอวาทโดยย่อ ทูลตอบว่าแม้จะแก่มากแล้วก็จริงแต่ก็สามารถรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาสิทธพึงเป็นผู้เสิร์ต่อพระภาสิทธของพระผู้มีพระภาคได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาเหล่าใดเธอไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นแล้วยอมไม่เห็น ทั้งการกําหนดว่าเราพึงเห็นก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกําหนัดหรือรักใคร่ในรูปเหล่านั้นหรือไม่ทูลตอบว่าไม่มีเลยโดยในยะเดียวกันเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเหล่าใดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเหล่าใดรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเหล่าใด พุทธภพที่พึงรู้แจ้งทางกายเหล่าใดและรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเหล่าใดและบรรดาธรรมะเหล่านี้เธอจะมีความพอใจกำนัดหรือรักใคร้ในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ทูลตอบว่าไม่มีเลยบรรดาธรรมะเหล่านี้คือรูปที่เธอเห็นเสียงที่เธอฟังอารมณ์ที่เธอทราบ และธรรมะที่เธอพึงรู้แจ้งในรูปที่เห็นจะเพียงศักว่าเห็นในเสียงที่ฟังจะเป็นเพียงศักว่าฟังในอารมณ์ที่ทราบจะเป็นเพียงศักว่าทราบในธรรมะที่รู้แจ้งจะเป็นเพียงศักว่ารู้แจ้งเมื่อเป็นดังนั้นเมื่อนั้นเธอจะไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำ เมื่อเธอไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำเมื่อนั้นเธอจะไม่พัวพันในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอจกไม่ผัวพันในสิ่งใดเมื่อนั้นเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมะ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างย่อโดยพิศดานอย่างนี้ว่าเพราะเห็นรูปจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากรูปจำนวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบ เมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเพราะดมกลิ่นจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกาหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากกลิ่นจำนวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชา และวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสั่งสมทุกขอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกล น, นิพพานเพราะลิ้มรถจึงหลงลืมสติบุคคลเมื่อใส่ใจนิมิต ท, ที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เพราะลิมรถจึงหลงลืมสติเพราะถูกต้องโพธิพะ เพราะรู้ท ร, รมาอารมณ์จึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจในิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนดสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจำนวนมากก็จเจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสังสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่า ยังหางา่างไกลนิพพานบุคคลนั้นเห็นรูปแล้วมีสติไม่กำหนัดในรูปมีจิตคลายกำหนัดสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขาเห็นรูปและสวยเวทนาอยู่ทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้ฉันใดเขาก็เป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้น เมื่อเขาไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพานบุคคลนั้นฟังเสียงแล้วมีสติไม่กำหนัดในเสียงมีจิตคลายกำหนัดสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขาฟังเสียงและสวยเวทนาอยู่ทุกยอมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้ บุคคลนั้นดมกลิ่นแล้วมีสติไม่กำหนัดในกลิ่นมีจิตคลายกำหนัดสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขาดมกลิ่นและสวยเวทนาอยู่ถูกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้บุคคลนั้นลิ้มรสแล้วมีสติไม่กำหนัดในรสมีจิตคลายกำหนัดสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่ เมื่อเขาลิ้มรสและสวยเวทนาอยู่ถูกยอมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้บุคคลนั้นถูกต้องผัสสะถูกต้องสัมผัสทางกายแล้วมีสติไม่กำหนัดในผัสสะนั้นมีจิตคลายกำหนัดสวยอารมณ์นั้นทั้งเมติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขาถูกต้องผัสสะและสวยเวทนาอยู่ ทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้บุคคลนั้นรู้ธรรมอารมณ์แล้วมีสติไม่กำหนัดในธรรมอารมณ์มีจิตพลายกำหนัดสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขารู้ธรรมอารมณ์และสวยเวทนาอยู่ทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้ฉันใดเขาเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้น เมื่อเขาไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างย่อโดยพิศดานอย่างนี้คำว่ามีสติเที่ยวไปไม่ได้หมายถึงการท่องเที่ยวเหมือนที่คนในยุคปัจจุบันเข้าใจนะครับ โดยในยะหมายถึงการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองคำของท่านพระมาลุกยบุตรแล้วตรัสข้อความนั้นทั้งหมดซึ่งเป็นข้อความเหมือนกันอีกรอบสำหรับเนื้อหาประมาณนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในอดีตนั้นพระไตรปิฎกถูกสืบต่อมาด้วยการท่องจาดังนั้น หลายเรื่องหลายตอนจึงมีการกล่าวซ้ำในสิ่งที่เพิ่งกล่าวมาแล้วทั้งหมดสมัยพุทธกาลการท่องจำนั้นท่านทำเป็นบทสวดเพื่อสวดได้ง่ายและเพื่อตรวจทานอีกรอบเพื่อความถูกต้องนะครับถ้าท่านที่ศึกษาเข้าใจจริงก็จะรู้ว่าในหลายส่วนเป็นพุทธวจนะจริงแต่คำที่สืบทอดมานั้นไม่ใช่พุทธวจนะล้วน หลายส่วนก็มีการจัดเรียงรูปประโยคใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำและการตรวจทานจึงควรเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับครั้งนั้นท่านตระมาลุกยบุตรชื่นชมยินดีพระภาสิทธหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรที่สุดก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย ปริหานธรรมมสูตรว่าด้วยปริหานธรรมปริหานธรรมหมายถึงธรรมะที่มีความเสื่อมไปเป็นสภาพพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องปริหานธรรมอปริหานธรรมและอภิพภายตนะหกประการแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ปริหานธรรม คือธรรมะที่เป็นบาปอากุศลมีความดำริร้านไปเกื้อกูลแก่สังโยชนย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวิเนนี้เพราะเห็นรูปทางตาถ้าภิกษุให้กิเลนั้นอาศัยอยู่ไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ให้ถึงความไม่มีอีกข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่า เรากำลังเสื่อมจากกุศลธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมอีกประการหนึ่งธรรมะที่เป็นบาปอากุศลมีความดมฤรธิสซานไปเกือ้อกูลแก่สังโยชน่ยมเกิดขึ้นแก่ภิกษุปพระฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิมรสทางลิ้นถูกต้องสัมผัสทางกาย รู้แจ้งทำมารมทางใจถ้าภิกษุให้กิเลสนั้นอาศัยอยู่ไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ให้ถึงความไม่มีอีกข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่าเรากํำลังเสื่อมจากกุศลธรรมนี้พระผู้มีพระพาตรัสว่าเป็นความเสื่อมปริหารธรรมเป็นอย่างนี้แล อปริหานธรรมเป็นอย่างไรคือธรรมะที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริร้างไปเกือ้อกูลแก่สังโยชนย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เพราะเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธิพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจถ้าภิกษุไม่ให้กิเลนนั้นอาศัยอยู่ ละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่าเราไม่เสื่อมจากกุศลธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความไม่เสื่อมอปาริหานธรรมเป็นอย่างนี้แลอภิ พ, พายตนะอกประการเป็นอย่างไร คือธรรมะที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริร้านไปเกื้อกูลแก่สังโยชนย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวิัยนี้เพราะเห็นรูปทางตาเป็นต้นนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่าอายตนะนี้เราครอบงำได้แล้วนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอภิภัยตนะภิษุทั้งหลาย อายตนะเหล่านี้เราเรียกว่าอภิพายตนะหกประการปรมาทวิหารีสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทและภิกษุ ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรคือเมื่อภิกษุไม่สำรวมจากขุนศีจิตย่อมส่านไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางตาเมื่อเธอมีจิตซ่านไปแล้วปราโมทคือความบันเทิงใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีปราโมท ปีติความอิ่มใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีปีติปัสสัิคือความสงบ ก, กายสงบใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีปสัสสัิภิกษุนั้นยอมอยู่ลาบากจิตของเธอผู้อยู่ลาบากยอมไม่ตั้งมันเมื่อจิตไม่ตั้งมันธรรมะทั้งหลายคือสมถะและวิปัสสนาก็ไม่ปรากฏ เพราะธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงและโดยนัยยะเดียวกันเมื่อไม่สำรวมในโสตินสีจิตย่อมส่านไปในเสียงทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางหูเมื่อไม่สำรวมในคานินสี จิตย่อมซ่านไปในกลิ่นทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเมื่อไม่สำรวมชิวหินรีจิตย่อมซ่านไปในรสทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเมื่อไม่สำรวมกายยินรีจิตย่อมซ่านไปในผลถัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายเมื่อไม่สำรวมมนิรีอยู่จิตย่อมซ่านไปในธรรมารมณ์ ที่เพึ่งรู้แจ้งทางใจเมื่อเธอมีจิตสร้นไปแล้วปราโมทก็ไม่มีเมื่อไม่มีปราโมทปีติก็ไม่มีเมื่อไม่มีปีติปัสสติก็ไม่มีเมื่อไม่มีปสัสสติเธอย่อมอยู่ลาบากจิตของภิกษุผู้อยู่ลาบากยอมไม่ตั้งมันเมื่อจิตไม่ตั้งมัน ธรรมะทั้งหลายคือสมถะและวิปัสสนาก็ไม่ปรากฏเพราะธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงภิกษุอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรคือเมื่อภิกษุสำรวมจากขุนศีอยู่ จิตย่อมไม่ซ่านไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางตาเมื่อสำรวมโสตินเซอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปในเสียงทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางหูเป็นต้นเมื่อจิตไม่ซ่านไปปราโมทก็เกิดเมื่อเกิดปราโมทปีติก็เกิดเมื่อใจเกิดปีติกายาก็สงบภิกษุผู้มีกายสงบ ย่อมอยู่สบายจิตของเธอผู้อยู่สบายย่อมตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นธรรมะทั้งหลายคือสมถะและวิปัสสนาก็ปรากฏเพราะธรรมะทั้งหลายปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างนี้แล สังวรสูตรว่าด้วยความสำรวมภิกษุทั้งหลายความไม่สำรวมเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้ผ่าใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดรูปนั้นอยู่ข้อนี้พึงทราบว่า เรากาลังเสื่อมจากกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมและโดยในยะเดียวกันเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นผดทพะที่พึงรู้แจ้งทางกายและธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ ชวนให้รักถักให้ใกล้ผ้าใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดพึงทราบว่าเรากำลังเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่านี้เป็นความเสื่อมภิกษุทั้งหลายความไม่สํารวมเป็นอย่างนี้แลส่วนความสํารวม คือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเป็นต้นนั้นที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปเป็นต้นนั้นข้อนี้ภิกษุพึงทราบว่าเราไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายความสํารวมเป็นอย่างนี้แหล ว่าด้วยสมาธิภิกษุทั้งหลายเถิทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นยอมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจักขูดไม่เที่ยงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยง จกักขูบวิญญาณไม่เที่ยงจกักขุบสัมผัสไม่เที่ยงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากักขูบสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงและโดยนัยเดียวกันโสตคือหูและสรัทธาคือเสียงไม่เที่ยงคานะคือจมูก ละคันทะคือกลิ่นไม่เทียงชิวหาคือลิ้นและอรสะคือรสไม่เทียงกายและผลทพะการถูกต้องสัมผัสทางกายไม่เทียงมโนคือใจและธ ร, รมอารมอารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกล้วนไม่เทียงวิญญาณและสัมผัสของแต่ละอายตนะนั้นแม้เวทนา คือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดจากสัมผัสของแต่ละอายตนะนั้นเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมัน่นยอมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าด้วยการหลีกเรน ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหลีบเร้นแล้วจงประกอบความเพียรเถิดภิกษุผู้หลีบเร้นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจักขูรูปจักขูวิญญาณจักขุสัมผัสแม้เวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ ที่เกิดขึ้นเพราะจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยล้วนไม่เทียงโสตขานะชิวหากายและมโนวิญญาณสัมผัสและเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสของแต่ละอายตนะนั้นเป็นปัจจัยก็ล้วนไม่เทียงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหลีกเร้นแล้วจงประกอบความเพียรเถิด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 จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายจักขูไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักขูนั้นจักขู่ที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขรูจักขุวิญญาณจักขุสัมผัส แม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขูดสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งทั้งปวงนั้นเมื่อเธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขและโดยนัยเดียวกันโสตะคือหู สัทธะคือเสียงคานะคือจมูกคันทะคือกลิ่นชิวหาคือลิ้นรสคือรสกายผลทัพทภะความสัมผัสถูกต้องทางกายมโนคือใจและธรรมอารมณ์อารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกวิญญาณและสัมผัสของแต่ละอายตนะนั้นรวมถึงเวทนา ที่เกิดจากสัมผัสของแต่ละอายตนะนั้นๆสิ่งทั้งปวงนั้นไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งทั้งปวงนั้นเมื่อเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเปรียบเหมือนคนพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไปเผา หรือจัดการไปตามเรื่องเธอทั้งหลายจะเพิ่งมีความคิดอย่างนี้บ้างไม่ว่าคนนั้นนำเราทั้งหลายไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องทุลตอบว่าไม่คิดอย่างนั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะญาเป็นต้นนั้นไม่ใช่อัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีเราในสิ่งนั้น และยาเป็นต้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไัยก็ฉันนั่นเหมือนกันอายตนะทั้งหมดและสิ่งทั้งปวงนั้นไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งทั้งปวงนั้นสิ่งที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุข อุทธกสูตรว่าด้วยอุทธกดาบทภิกสุททั้งหลายได้ยินว่าอุตกะกดาบทรามบุตรกล่าววาจาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงเวทแน่นอนเราเป็นผู้ชนะวัตตะทั้งปวงแน่นอนรากเงาแห่งทุกข์ที่ไกลๆกขุดไม่ได้เราขุดได้แล้วแน่นอนอุทกะกดาบทรามบุตร ยังเป็นผู้ไม่ถึงเวทแต่กล่าวว่าเราเป็นผู้ถึงเวทยังเป็นผู้ไม่ชนะวัตตดทั้งปวงแต่กล่าวว่าชนะยังขุดรากเง่าแห่งทุกข์ไม่ได้แต่กล่าวว่าขุดได้แล้วส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อจะกล่าวเรื่องนั้นให้ถูกต้องควรกล่าวว่าเราเป็นผู้ถึงเวทแน่นอน เราเป็นผู้ชนะวัตตะทั้งปวงแน่นอนรากเงาแห่งทุกข์ที่ไกลไกลขุดไม่ได้เราขุดได้แล้วแน่นอนภิกษุพูดถึงเวทเป็นอย่างไรคือภิกษุยอมรู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากผัสสะยตนาอกประการตามความเป็นจริงภิกษุเป็นผู้ถึงเวทอย่างนี้แหละ ภิกษุเป็นผู้ชนะวัตตะทั้งปวงเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากภาษายตนะหกประการตามความเป็นจริงแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นภิกษุเป็นผู้ชนะวัตตะทั้งปวงอย่างนี้แหลรากงาเงาแห่งทุก ที่ไกลๆขุดไม่ได้ภิกษุขุดได้แล้วเป็นอย่างไรคือคำว่าคันธานี้เป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากมหาพูตรูปสีเกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมอุ่ ม, มากไม่เที่ยงแท้ต้องนวดเฟนมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา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 หมายเหตุผู้อา่านสำหรับข้อความว่าเจริญไวเปราะข้าวสุกและขนมอุมมาดข้อนี้เป็นสำนวนนะครับหมายถึงว่าเติบโตมาได้ด้วยอาหารคือกาวลิงการาอาหารอาหารคือคำข้าวคือของหยาบที่มนุษย์บริโภคกันในทางพระพุทธศาสนามีอาหารหลายอย่างเช่นพรมมีปีติเป็นอาหาร ดังนั้นเวลาเมื่อกล่าวถึงคนท่านจึงใช้คำเป็นสำนวนว่าจเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมมาศในฉบับมหาจุฬาท่านให้คำอธิบายเชิงอัดถึงขนมกุมมาศว่าเป็นขนมที่เก็บไว้นานเกินไปจะบูดเช่นขนมด้วงขนมครกขนมถ้วยขนมตาลเป็นต้นซึ่งนั่นเป็นคำแปลที่ถูกของคาว่าขนมกุมมานะครับแต่ว่า เมื่อมารวมกันเป็นประโยคก็จะกลายเป็นสำนวนซึ่งต้องแปลอีกอย่างหนึ่งนะครับจึงฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย